ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลละนันธาใช้ผ้ารับระดูแล้วไม่ยอมสละในสิกขาบทที่เจ็ดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกัินะสมุดฐานละ